มัธย์ลังกาวงในตุวรรณภูมิมสงฆ์กลุ่มอื่นที่ไม่มีโอกาสจะเข้าประชุมแม้เป็นพระอรหันต์ด้วยกันแต่ว่าไม่มีชระพิน ญ, ญาไม่ประกอบเลตมาติสัมพิธาญาแล้วก็ยังไม่มีสิทธิที่จะเข้าประชุมได้สงฆ์ต่างๆเหล่านี้นะครับบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระมหาจตประบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยบางกลุ่มก็คัดค้านว่าการกระทำในคณะสงฆ์กลุ่มพระมหาจตประนั้นเป็นการทํากันในบุคคลเพียงคณะเดียว เพราะฉะนั้นข้อตกลงใดๆในคณะสัตว์คัคูหาทำกันข้อตกลงนั้นไม่จำเป็นที่คณะสงฆ์เหล่าอื่นจะต้องปฏิบัติตามเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทำสังคายนาเซลงใหม่ๆกล่าวคือในบาลีวินัยปิดกจุลวะกล่าวว่ามีพระเทราผู้ใหญ่รูปหนึ่งชื่อพระปุราณะพระปุราณระาบริวารห้าร้อยรูปจาริกมาแต่ทัตทินาคีรีชนบทซึ่งเป็นตาบลภาใต้นอกมือราชคร เดินทางมาที่เวรุบนารามเวลานั้นขมหารัสปะทําสังขารนาเสร็จลงใหม่ๆก็ขมารัสปะเห็นความสําคัญของพระภุรานะได้มากล่าวว่าอาวุโสการสังขารนาพูกท้าวหลายได้ทํากันเสร็จแล้วพระภุรานะตอบว่าก็ดีแล้วสังขารนาเป็นอันชื่อว่าพว้ท่านทั้งหลายทํากันก็ดีแล้วส่วนตัวข้าพเจ้านั้นได้เฝ้าได้เห็นได้ฟังเฉพาะพระผู้มีพระภาคโดยประการชันใดแลตัวข้าพเจ้าก็จะจำทรงอย่างนั่นนั่นเที่ยว การประกาศของพระภูรานักท่านนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศแยกพวกกับสมาสัปปะบอกว่ากรณีแล้วนี่ท้าแฝงกันอย่างไทยปัจจุบันก็บอกว่าพวกท่านก็เชื่อว่าทำกันกรณีแล้วส่วนผมเองผมก็เชื่อได้เฝ้าได้เห็นได้รู้จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเหมือนกันผมก็จะเชื่อถือปฏิบัติตามมติที่ผมเห็นว่าสมควรละว่ากันง่ายๆก็ว่าอย่างนี้เนื้อกวางในบาลีจุลวัรเน่ยมีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านี้แต่ถ้าว่าไปปรากฏข้อความพิสดารอยู่ในคัมภี์สันสกฤต คือวินัยปิดกของนิกายมหิสาสกะวินัยปิดกของหนิกายทำมคุปตะและวินัยปิดกของนิกายามหาสัิกัสได้กล่าวถึงว่าข้อความที่พระปุราณะคัทธ า, า, าสมาสตบั้นเกี่ยวกับสิกขาบทเล็กๆน้อยๆบางข้อบางประการเช่นเรื่องอังโต ว, วุฒะอังโตปักกาฟ้ามาปักกตะตโตนี่ยตะปุเรภัตตะโปคราตาได้แก่สิกขาบทเกี่ยวกับว่า อาหารการขบฉันเช่นว่าพระสงฆ์ควรจะขุ้งต้มภายในกุฏิที่อยู่อ่ะจะถูกต้องหรือไม่ถ้าจะเก็บอาหารไว้ขบฉันทั้งคืนภายในกุฏิที่อยู่น่ะสมควรหรือไม่ถ้าไม่มีกะปิยะคารกไปพบของเช่นผลไม้ตกกลางป่าเดินทาง ม, มีกะปิยะคารุกขิวขึ้นมาแล้วถ้าจะหยิบฉวยผลไม้นั้นขบฉันเองน่ะสมควรหรือไม่อย่างนี้เมื่อวานก็เกี่ยวกับอาบัตที่เป็นปลายปลาจิตตีบ้างทุกกดบ้างไม่ใช่เป็นอาบัตใหญ่ตัวอะไรก็พ่อเกี่ยวเรื่องการขบการฉันอยู่ ก็ปรากฏว่าพระมห า, านนกษัตาาริรย์าาหเห็นว่าเป็นอาบัติหมดถ้าไม่ควรทําถ้าไม่ควรในก็บอาหารฉันภายในกูดีที่อาศัยของตนถ้าไม่ควรจะหุงตมปรุงอาหารด้ตนเองภายในกูดีแล้วก็อ่าของตกอยู่ถ้าไม่มีกับปริญญาเขาตกไม่สมควรที่จะกระทำเอาไปอามาฉันเพราะเป็นการเป็นอาบัติอย่างนี้ถ้ามหากษัตริเห็นว่าเป็นอบัติแต่ถ้ากูรานะเห็นว่าไม่เป็น ก็ที่ว่าไม่เป็นหนะัก็ด้วยอ้างพุทธานุญาตว่าการละครั้งหนึ่งได้เกิดกา ร, การข้าวยากมากแพงในเมืองเวสาลีแล้วก็พระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพุทธานุญาตให้ประสงค์เก็บอาหารชันในกุฎีได้หุงส้มในกุฎีฉันได้แม้ไม่มีกับปิยาการโรคเก็บผลไม้ตกอยู่ร่วงหล่นอยู่ก็เอามาขบฉันได้ว่าอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้อนุญาตไว้ในการข้าวแพงอย่างนี้ถ้าม้าขุนกรก็แย้งว่าผูกต้องถ้าศาสานาได้ทรงมีพุทธานุญาตไว้กว่าจริง แต่เมื่อหมดการข้าวแพงแล้ววันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสถามพระอนุนว่าดูก่อนอ น, อนุนสิขาบทต่างๆอันอันเนื่องด้วยอันโตุกุฏะอันโปปะกะปามะปกะคาโตนิฮะตาภูเ ร, เ ร, รพัฏตาโกคาระเหล่านี้เป็นต้นนั้นที่สุสงทังหลายในแขวงเมืองเวตาลีย์ยังประพฤติเป็นไปอยู่หรือหนอแหล่ถามอย่างนี้พระอนุนเหตุเจ้าประทูลว่ายังประพฤติเป็นไปอยู่พระพุทธเจ้าค่ะทศนาจึงรับสารให้เรียกประชุมสง์ แล้วก็ตรัสบันอยากสิขาบทหม่ว่าดูกองที่สุดทั้งหลายนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพิสุดได้ร่วงสิขาบทเหล่านี้พิสุนั้นต้องทุกกทแล้วก็มีต้องปาจิตตีเป็นบางประการอยู่ในจํานวนสิขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าภูรณะจะมาถือประพฤติข้อพุทธอ้างพุทธานุญาตในการข้าวแองมายืนยันนไม่ได้ถ้าภูรณะก็โตขึ้มาแต่ตกว่าได้ข้อที่พระองค์มันอยากท้านน่ะผมไม่ได้ฟังกับหูเองเนี่ย ผมฟังตอนอนุญาตเองไอ้ตอนบัญญัติใหม่ผมไม่ได้ม่ไม่ได้รู้เห็นด้วยในในในที่นั้นเพราะฉะนั้นผู้ท่านถือก็ถือไปสิผมก็จะถือตามที่ผมรู้เห็นมาจะเพาะไอ้ตอนที่อนุญาตนี่แหละตอนหาังเป็นอย่างนี้อะพระพุรานะก็พาพวกท่านห้าร้อยลู ก, ไ ป, ก, ก, ก, กไปตั้งกองสังขยาณาใหม่ต่างหาแข่งกับผู้พระมาร์ศพตั้งทำตั้งไปตั้งกองสังขยนาใหม่ต่งางหาปกลงมีการทําสังขายาณาสองครั้เมื่อพุทธิจารีภานลงใหม่ๆ ใ, ในปีแรกมีการตั้งกองสังขยนาสองครั้ง บ้า พ, าพรทธภูราณะนี่ไม่ปรากฏเรื่องราวทิปดารในบาลีของเราหรอกแต่ไปปรากฏทิศาในคมภีร์สันสกฤตของนิจายอื่นครับได้า ก, การนกไว้มากอาภู ร, ราณะนี่แหลคะครับที่เป็นต้นเข้าแห่งการแตกแยกทัพทีน่นิการในพุทธศาสนาทางนั้นทั้งนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดจากการตีความขุตมุตคตินี่เองคือว่าตการที่จะเกิดทัพที่นิกายขึ้นมาได้ต้องเกิดจากความวิบัติแห่งทิฏฐิสาัญญตาหนึ่งความวิบัติแห่งสีลักษณ์สาัญญตาหนึ่ง ว่ามีบาดแผิจิตาหยญตาคือทัศนคเกี่ยวกับความเห็นในทางธรรมะไม่ลงรอยกันในระหว่างบรรดาคณ า, าจารย์ต่างๆเมื่อสิ้นทาศาสดาแล้วใครเล่าจะเป็นตุลาการชี้ขาดตัดสินว่าธรรมะข้อเนี้มีปริยาอย่างนี้ธรรมะข้อนี้มีปริยาอย่างนั้นเมื่อไม่มีองค์ศาสดาจะเป็นผู้ชี้ขาดตัดสินไดบ้บรรดาพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคณะปามโมกท่านก็ชี้ขาดตามทัศนคข้างหันเมื่อทัศนคท่านขัดแย้งกันเองก็กลายเป็นลัทธินิกายขึ้นในภายหลังนี่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งแตกเพราะความวิบัติแห่งสีและสามัญญาตาคือการตีความวินัยบางข้อบางประการผิดเป้าหมายหรือการอาประพฤติวินัยบางข้อบางประการผิดจุดประสงค์ก็เป็นเหตุให้เกิดแต่แยกในกายขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นทัพปุรานะกับพระมาณกับจบเป็นตัวอย่างอาข้อนี้แหะครับที่เป็นเหตุให้มีเกิดเป็นแบ่งเป็นลัทธิในกายต่างๆเมื่อในสมัยทูติยัตันธายนาผ่านพ้นไปแล้ว พุทธศาสนาในอินเดียได้แตกออกเป็นนิกายต่างๆรวมหมดประมาณ20นิกายด้วยกัน20นิกายด้วยกันในบรรดา20นิกายเหล่านี้ยังชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาในฝ่ายสาวกยานอยู่คือว่ายังสอนอุดมปฏิมุ่งอรหัตภูมิกันอยู่ยังเป็นฝ่ายสาวกยานอยู่พุทธศาสนาเทราวาสนี่ถ้าจะแปลตามความหมายแล้วก็คือว่าคณะชาวพุที่ถือเคารพข้อสุกงศของพระเทระในที่ประชุมประถมสังขานาเทราวาสนี่ ในที่ประชุมผสมผสานานะมีข้อตกลงอะไรกันบ้างในหมู่พระเถระทั้งหลายวานก็ปรากฏว่าข้อตกลงน่ะมีหลายข้อข้อหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยอดยิ่งก็คือข้อเรื่องพุทธานุญาตในสมัยจวนจะดับขันทพระบริมีพานในมีพุทธทานุญาตจากพระอนุ์ว่าดูก่อนอ น, อนุ์หากสงต้องการสิกขาบทเล็กน้อยก็พึงถอนได้ข้อนี้แหละเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประเด็นซึ่งถ้ า, าหาขจศได้นําขึ้นเสนอในทางทางที่ประชุมผสมผสังายาน า, นา หน้าธรรมัตว์บาละครูหาแฟนมะคตบอกว่าอ่าสิขาบทเล็กน้อยทจิตองดำรัสให้ถอนได้น่นได้แก่อะไรบ้างถามที่ประชุมอ่าเวลานั่งพระอ น, นุเทนะเจ้าน่ะถูกพระม้าขัดศพปณิบอกว่าผิดการที่พระอนุเทนะเจ้าไม่ทูลถามพระตาสดาว่าสิขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไรนี่เป็นความผิดถึงจับตรัสอาบัตพระ น, นุข้อหนึ่งปราบทุกกฎนั่นว่าการที่พระอนุลืมถามพระตาสดาในข้อนี้น่ะว่าสิขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไรพันเอาอาบัทุกกฎ ถาอานนท์่านก็ยอมละโดยหน้าชื่นตาบานท่านก็บอกว่าท่านมองไม่เห็นอาบัตทั้งท่านแต่เมื่อสงสองการจะกลับว่าท่านเป็นทุกขกดท่านก็ยอมรับท่านเคารพมติของหมูท่านเป็นประชาชนที่ประทายอย่างนี้เมื่อหมูมากกว่าผิดท่านก็รับกว่าผิดไม่ขัดขืนผ้านท่านที่เป็นท่าอรหันห์นะอานนท์เวลานั้นเป็นท่านอรนท่านก็ยอมรับอาบัตทั้งท่นข้อนี้อ่าในที่ประชุมพระเทหะทั้งหลายก็แตกแยงมติกันบางองค์เห็นว่ายกบรรลักิกสิเสียสิขาบทที่เหลือชื่อว่าสิขาบทเล็น้อย บางองค์ก็บอกว่ายกสีก่สังคาทิเสดเสียสิขาบทที่เหลือชื่อว่าสิขาบทเล็กน้อยบางองค์ก็บอกว่ายกปาจิกสี่สังคาทิเสดอนนี้ยศและปาจิตตีเ ส, สียที่เหลือชื่อว่าสิกขาบทเล็กน้อยต่างองค์งต่างมีความเห็นแตกต่างกันในปัญหาว่าสิกขาบทเล็กน้อยได้แก่อะไร <Me> เมื่อเป็นเช่นนี้พระมห า, ากษัตรจึงกล่าวเป็นคําตัดสินว่าสุนาตุเมพันเตสังโคขอสงฆ์ทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า สิกขาบทของพวกเราทั้งหลายนั้นที่เกี่ยวเนื่องกับคเรือหัดก็มีอยู่เป็นอันมากแม้บรรดาขเรือหัดก็ย่อมรู้ว่าข้อประพฤติเช่นนี้สมควรแก่สมณะปักจยบุตรหรือข้อประพฤติเช่นนี้ไม่สมควรแก่สมณะปัจจะบุตรดังนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้หากพวกเราทั้งหลายพากันมาถอนสิกขาบทเสียข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็จะเป็นข้อกระหายโิดขึ้นในหมู่คเรือหัดว่าโอ้บรรดาสมนาปักจะบุตรเหล่านี้น่ะ ประพฤติวินัยเพียงชั่วการแห่งควันไฟคือชั่วการที่ภาษาสดาของรัายังดำงรงเผชิญชีพเท่านั้นเองเมื่อภาษาสดาเขาดับขันไปแล้วเขาเขาปรพาตะละเลยต่อสิขาบทเหล่านั้นไปเสียสิ้นเป็นข้ออธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท้าวเจ้าขอเสนอว่าสิขาบทอัในใดซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกเราจะไม่ถ่ายถอนอันใดที่ไม่ได้ทรงบรรญัติเราจะไม่เพิ่มเติมสุรู้เข้ามา อันนี้เป็นยัตติหาว่าทันที่ประชุมเห็นสมควรก็พึงนิ่งเห็นไม่สมควรก็พึงคานถ้ามหาจตุบได้สวดเป็นยัตติกรรมาวาจาขึ้นมาในท่ำกลางที่ประชุมสงฆ์ห้าร้อยองค์ปรากฏว่าในที่ประชุมอยู่ในภาวะดุจนียภาพกล่าวคือเห็นร่วมด้วยเป็นเอกฉันต์อากานี่อาจารย์เห็นด้วยในพระวินัยไม่มีใครคานขึ้นนี่นะครับเป็นมติที่สําคัญมากในเรื่องขเรื่องนี้่ เมื่อเสร็จมติอันนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วการประชุมนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วคณะสงฆ์ฝ่ายพระพุราน่นนี่แหละเป็นฝ่ายที่เห็นว่าตามเสนอข้อข้อความแบบนี้นะ่ะเป็นการไม่สมควรก็เมื่อพระบรม ศ, ศาสดามีพุท ธ, ธานุญาตให้ถอนได้หาว่าสงส่งการในวินัยเล็กๆไม่น้อยทําไมพมระมหากษัตกมาทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ฝ่ายพระพุรานะเห็นว่าท่านก็เคารวพุท ธ, ธานุญาตเหมือ น, นกันท่านจะถอนละท่านไม่ถือมติที่ประชุมของพระมหากษัตรเป็นใหญ่เมื่อท่า น, นจะถอนจะว่าท่านผิดก็ไม่ได้นะ ถ้าเคารพกุฏานุญาตท่านจะตีกวางสิขาบทเล็กน้อยประเทศเนี่ยได้แก่พวกสิขาบทกาบเอ็กเกี่ยวกับอันโตุตฐานอันโตประกาศไอ้เหืออย่านี้เล็กๆ้อยๆผมตบในกูดีอาหารไ้ฉันในกูดีพวกนี้แหละครับที่ท่านจะถอนกันล่ะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาคณะพุทธศาสนาที่เคารพนติของข้ามาศสมบติในที่ประชุมจึงเรียกว่าเทรวาทีเทรวะทีเรียกในภาษาอัสกฤษว่าสถาวีระวาทีสถาวีระวาที แล้ ว, วท่านอาจารย์ป่าเทรวาทีนี่แหละก็เรียกบรรดาฝ่ายตัวกานข้ า, า 5, ซึ่งถือตามมติของคณาจารย์ว่าอาจริยวาะอาจริยวะคือถือตามวาทข้าของท่านอาจารย์เรียกนิกายที่ตรงกัข้ามอื่นว่าอาจริยวะเพราะฉะนั้นอาจริยวาเนี่ไม่ใช่รวมหมายถึงมหายาณอย่างเดียวหมายถึงนิกายอื่นๆไม่ใช่มหายานก็เป็นอาจริยวะเหมือนกันเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่อาจริยวะนี่เป็นต้นต้นข้าวหรือประวัติต้นต้นเดิมของเทรวาที เพราะฉะนั้นในการเจรวาดะท่าจะเรียอีกอย่างหนึ่งว่ามหากัต ป, ะ, ปะวงศ์ก็เรียกได้หมือกันเพราะถือตามมติของผู้เป็นประมุข ค, คือพระมหากัตริยเป็นใหญ่เรียกว่ามหากัตปะวงศ์ก็เรียกได้อความงก็เป็นอนมาว่าถ้ามหากัตต ะ, ะนี้ได้มีอาจริยะพระมตาสืบสัน ต, ติลงมาลงมากระทั่งถึงในสมัยธรรมตัทยาสังขายนาแล้ววางตั้งแต่ศตวตรแรกหลังพุธทธศตรรษนิทานถึงกัตวตรรษที่สาม เป็นระยะสี่นิกายเถรวาจะโล่งรุ่งเรืองที่สุดในประเทศอินเดียเพราะว่าพระมหากษัตริย์ในปัจจุบนนั้นราชนในประทานวาอุ ป, ปถมัมภ์นิการนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจา้าโศกพระเจ้าโศกนะถ้าเราอ่านตามเนือ้อความในคำภีมาหาวงนะหรือในคำพีสามม น, นิทานในคถาเราจะนึกว่าแม้พระมหากษัตรเนี่ยศึกเดียทีนิคนปอมบทแปดหมื่สี่พันควาจริงคำว่ า, าเดียถีนิคนปอมบทแปดหมืนสี่พันเนี่ยไม่ใช่เดียทีนิคนที่ไหนล่ะครับไม่ใช่ คือเป็นพิกษุต่างนิกายนี่เองที่เป็นที่เห็นตรงข้ากับนิกายเทรวาตแล้วก็จะพระจะอาโศกนะข้อเท็จข้อจริงไม่ไหนมาศึกพระศึกเจ้าหมาไม่ตั้งแปดหมื่ีพันล็อกตัวเงาข้ามข้อความคาถาจารเขียนไว้คือว่าท่านผู้แต่งคำพีสามูลก็ดีท่านผู้แต่งคำทีมหาวงก็ดีท่านต่อพูงง่ายว่าท่านเป็นฝ่ายเทรวาตเพราะฉะนั้นท่านเขียนในลังกาท่านก็ต้องเข่าข้าเทรวาตเอาไว้ว่าพิสุเทรวาตีแล้วต่อเป็นเป็นธรรมวาที ถ้าเป็นฝ่ายตรงนั้นข้าลวก็กท่านพระอี่ห่อลงไปทีเดียวอ่ะ้าสาพิคูลงไปคำเนี่ยบอกพิขุใจบาปอาชีสายออกไปทีเดียวที่แท้ไม่ใช่ใจ บ, กบุกใจบาปที่ไหนหรอกเป็นเพียงแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เคารพมติของธรรมะกับตกฝ่ายนอกข้ำคือมีฝ่ายในถาำพวดฝ่ายนอกถ้ำปวดหนึ่งฝ่ายในถ้ำกั Folks, us, กาบฝ่ายในถ้ำตะวันตะครุหาพวกหนึ่งแล้วก็พวกนอกถ้ำอีกพวกหนึ่งไม่ใช่ว่า้าปสาพิคูที่ไหนมีอย่างเหรอพระเจ้าโต๊ะเน่ยนะท่านหูตาท่านมาทำเป็นเปิดตากระพริบ ท่านจะปล่อยในเยธีนี่คนมาปลอมบดในวัดได้ยัไงนี่พันตอนลกดูเถอะจะกลงยังไงมาบดได้ยังไงแล้วอุปชายาติไหนจะมาหน้าบทคนปลอตงมื่ี่พันเลยทางบ้านมึงไม่รู้อีโนอยเนนี่ยเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเนมื่อเป็นไปไม่ได้เช่นนี้บรรดาจำนวนพิสูจ ต, ตั้ง 84% มื่นี่พันก็เป็นพิสูจฝ่ายต่างนิกายผู้ อ, อาจายาว่าสั่งนิกายซึ่งมีมากเหลือเกินในข้างนั้นสรุปแล้วมีถึงยี่สินิกายด้วยกันนั่นเอง อ่าแล้วกองการจะทำไม่จ่าโศกน่ะไม่ใช่อย่างในมหาวงเขียนว่าอุปถัมภ์เฉพาะพระโมคขรีบุตรติาสระฝ่ายเทรวาทีอย่างเดียวนิกายอื่นไม่ได้อุปถัมไม่จริงเพราะว่าพระราชาครของม่จ่าโศกนีพระอระหันต์องค์หนึ่งถ้าอุปคุดอุปคุดทั้งหลาที่เรามีบูชากันนี่แหละที่เป็นหนังเจริญอาปูกระสินในท้องทะเลเนี่ยพระอุปคุดพระอุปคุดเทระนี่ไม่ใช่พระเทระในเทรวาทีนิกายนะแต่เป็นคณะาจารย์รูปหนึ่งในนิกายสัพพะทิ ก, กาวา มาเียว ก, ก็สัพพติกวาสสนสเตที่วัตสระวาสตีวาทีเป็นเป็นขันธ์หลุกหนึ่งในนิ ก, กายสระวาปฏิาวาทีเถาโอปคุดนี่แหละแล้วก็ท่านโอปคุดนี่แหละทานหน้าที่เป็นไกด์เป็นผู้นํนานาพระเจ้าโศกไปเที่ยวไหว้พุทธปูชนียสถานต่างๆพอไปถึงที่ไหนท่านก็เล่าประวัติสถานที่นั้นให้พระเจ้าโศกฟังเป็นการชักจงูงศรัทธาภาษาพระเจ้าโศกให้เกิดความปิติความเลื่อมใสทํำหน้าที่เป็นไกด์ของพระเจ้าโศกในการนําไปเที่ยวไหว้ สถานที่ศักิ์สิิ์ในพุทธศาสนาในคังนั้นตกลงว่าในสมัสยพระอาโศกนั้นนิกายต่างๆอยู่ในฐา น, นเสมอภาคพระเจ้าโศกไม่ใช่เป็นสังกัด น, นิกายเทรวาณ น, นิกายเดียวท่านเป็นชาวพุทธไม่มีนิกายเป็นชาวพุทธตัวอย่างเป็นชาวพุทธแท้คือเป็นกระหังที่ไม่อยู่กับ น, นิกายของพระไม่ว่าพระ น, นิกายไหนประพฤทธดีพุทธชอบแล้วท่านเคารพท่านยกย่องหมดและไม่ว่าใครจะเป็นพิสุพิสุนีอุบาสิกาตายก็ตามหากว่ายุคให้พระทะเลาะกันยุคให้พระทะเกี่ยวกัน ถ้าเจ้าเอาศกวางอยญาไว้ว่าให้ศึกเกาะเสียมีศิลาจารึกผี่สารนามีศิลาจารึกผีสันจิบอกไว้บอกว่าใครก็ตามถ้ายุให้พลาทะเลาะกันแล้วก็ให้ศึกคนนั้นเสียมไม่ให้อยู่ในวัดศึกปนุ่งผ้าขาวเสียถ้าเป็นผ้าศึกปนุ่งผ้าขาวถ้าเป็นครุขระแก็ให้ไล่ออกไปจากบริเวณนั้นที่เกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ห้ามให้ยุโยงเรื่องทะเลาะกันศิลาจารึกหลักนี้อ่ะแสดนไห้เห็นว่านี่กายต่างๆในครั้งนั้นอนะ่ะมีเรื่อ ง, างอบบอการทาะเบาแวงในระหว่าง น, นี่กายเสร็แล้วแล้วก็จะเอาศกในฐานนะเป็นรัฐบา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิาท่านอยู่ในฐานะเป็นคนกลางที่จะไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าจะต้องให้ความยุติธรรมความเสมอภาคแก่นิกายต่างๆในครั้งนั้นอย่าว่าแต่นิการในพุทธศาสนาด้วยกันเลยแม้แต่ศาสนาพรามณศาสนาพวกอาชีวกศาสนาพวกบริพารชกพวกเบญทีต่างๆพระเจ้ า, จาโศกก็ประทานราชูประถมโดยเสมอหน้ากันหมดเพราะถือนโยบายว่าพระองค์เป็นธรรมราชา ไม่มีการลังเกียดเดียดฉันในเรื่องศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างของกษัตริยชาพุทธตั้งแต่นั้นมากตริยชาวพุทธที่แข่งขันก็ถืออนุญาตตามแบบฉบับพระเจ้าโศกอย่างเช่นข้ามหาสัตว์ในประเทศไทยเราเป็นตัวอย่างก็ถือนโยบายอันนี้ไม่มีการรังเกียดเดียดฉันในศาสนาอันนี้ก็เป็นคติที่ดีอันหนึ่งของชาวพุทธเราแตกต่างกับาาศาสนาฝ่ายตะวันตกครับซึ่งว่าถากษัรองค์ไหนเป็นสังกัดอย่าว่าแต่ศาสนาเดียวกันนะแม้แต่ศาสนาเดียวกันคุลัคนายายังลังเกียดยกพวกข้ากันเลยในยุโรปเนี่ยสมัยกลางเนี่ย โปรเตสแตนต์คาถาทอริกยกพวกฆ่ากันตั้ง30มสิี่สิปีเอาคนตายจํานวนแสนทะเลาะกันเรื่องนิกายทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นศาสนาเดียวกันยังฆ่ากันตายได้อันนี้จะเห็นควาแตกต่างระหว่างมินิตของพุทธศาสนากับศ า, าสนาของฝรั่งเข้ า, าว่าแตกต่างกันอย่างไรครั้งนี้นิ ก, กายเคลว่ะในสมัยพระเจาโศกนี้แหละเริ่มต้นแพ่หลายมาสู่ต่างประเทศเพราะว่าพระโมคคีบุตรติสส า, าเครวเจ้านั้นถึงมีสายตาไกลมีอนาตาตังพยาญเห็นว่าถ้าหากว่าไม่รีบขยับขยายนำพุทธศาสนา ได้ประดิษฐานไว้นอกชมพูทวีปแล้วในอนาคตการพุทธศาสนาจะาไม่สามารถยั่งยืนในชมพูทวีปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงขนไขถ่จัดงานธรรมพูดขึ้นโดยขอราชูประถมจากพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกจึงได้ส่งธรรมทูตสายต่างๆนําพุทธศาสนาไปแพ่หลายไว้และธรรมพูตสายต่างๆเนี่ยถ้าหากในมหาวงกาฬมุนนึ ก, กว่าเป็นเหทระวาดก็เอาไม่ใช่เทระว่าเลยเห็ทละว่ามาม า, มาสสายเท่านั้นเองที่มาตาเทศ ขึ้นข้าหน้สงฆ์ธรรมทูตสังกัดนกายเทรวาตมาราังกาสายหนึ่งแล้วต่อมาสัวนภูมิที่เราจะพูดถึงในวันนี้อสายหนึ่งสองสายส่วนสายอื่นๆนะไม่ใช่นิกายเทรวาตไม่ใช่เป็นนิกายสรวาวัติวัดบ้างเป็นนิกายเหมวันตาบ้าแล้วก็เป็นนิกายกัศยปิยาบ้างเป็นนิกายมหาสังขิกาบ้างเนี่ยแต่อย่างเช่นว่านิกาข้าหสงฆ์ธรรมทูตที่มาในมหิสมุนทนอันเป็นรัฐธรรมย์อนในปัจจุบันนี้ มาเทพธนาเทพเป็นภิกษุในนิกายมหาสังกิกะเป็นคณะปามโมกในนิกายมหาสังกิกจ์าำพุทธศาสนาในนิกายมหาสังกิกะมาประดิษฐานไว้ที่แคว้นไมโซอคว้นไมโซ อ, อินเดียภาคใตซึ่งเรียกในในจารึกพระจาระโสว่ามหิสมุนทลไมฮิสมังคระเนี่เรียกเปนอย่างนั้นแล้วก็ภิกษุคณะธรมทูที่นำพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้าาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเลยแคว้นคันทาราถึนไปนั่น ก็เป็นภิกษุในนิกายสรว า, าวาสติวะเป็นภิกษุในนิกายสรวาฏติวะออกไปประดิษฐานไหวบกลงว่าภิกษุเทรวาตมาสองสายมาในสายลางตาสายหนึ่งมีพระมหินเถระเจ้าเป็นหัวหน้ากับนางพระมิตราแล้วก็ไปหลักไปตัวนภูมิีสายหนึ่งก็มีท่านโสนาทนกุตตระเป็นหัวหน้าสองสายนี้ถือว่ามาจากวงเดียวกันคือเป็นกัปะวงเป็นกัปะวงเพราะฉะนั้นายหลังต่อมา พิสุลังกากับพิสุในสวรรณภูมิมีพิสุพม่าจึงได้กล่าวสำ ม, มูธนยัติาถึงกันบอกว่าแม่คุทั้งหลายก็เป็นเชื้อสายของพระอราหันต์ขั้งปฐมสังขายนาแม่พวกขับไปเจ้าก็เป็นเชื้อสายพระอราหันต์ขั้งปฐมสังขายนาดุจกันเพราะฉะนั้นความลังเกียจในเรื่องพระกรรมระหว่างผกท่านกับผู้ขับไปเจ้าจริงไม่มีนี่เป็ข้อข้อความน่าเป็นสารานิยกตาถามีมาถึงกัน ร, ระหว่างพระเถระวงทั้งสองในสวรรณภูมิกับในลังกาในภายหลังขสมณะลงถึงมาเข้ามาในลังกานั่น เามาปฏิสฐานเป็นศาสนาประจําชาติในลังกาตลอดดีเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งมาในสมัยซึ่งราวศตวรรษที่สี่หรือที่ห้าหลังพุทธประเิฐิพานแล้วศูนย์กลางการศึกษาพุทธศา์นั้นและในลังกานั้นมีอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งเรียกว่าคณะมหาวิหารแห่งหนึ่งเรียกว่าคณะขปยิรีวิหารคณะขปคณะมหาวิหารนี่ถ้าจะพูดก็เรียกว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวติสเป็นอนุรักษ์นิยม จารีตอันใดซึ่งพระเทระอาจริยบาลม์ตาประพฤติมาตั้งแต่ครั้งพระมหาศกเทเรเจ้าจารีตอันนั้นคณะมหาวิหารรักษาไว้อย่างเพ่งเขัมไม่ยอมตัดตัดตัดถอนหรือไม่ยอมเพิ่มเติมไดใดทั้งสิ้นคณะมหาวิหารคณะมหาวิหารจึงมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายสืบสาโนว า, าเทรวาทีชนิดบริสุทธิ์ส่วนคณะอภัยคีรีก็เป็นคณะทึ่งแยกตัวออกจากมหาวิหารไป ขณหาอภัิรีนะั้นียตัวเรียกตัวเองว่าพวกที่มีความคิดเก่าหนาพวกเก่าหนาคือว่ายินดีที่จะรับความคิดเห็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายต่างๆของพุทธศาสนาทาวายไม่มีความรังเกียจที่สุต่างนิกายที่สุนิกายใดๆที่มาจากแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีตมีสิทธิที่จะเข้ามาพักจำพรรษาในอภัยกิรีวิหารได้อย่างสะดวกใจพระอภัยกิรีวิหารก็ให้การต้อนรับให้เสนาสนะให้โภชนาการขบชั้น ใหความสะดวกทุกอย่างมิหนำซ้ายังมีมหลแสดงเทศนาตามสติของนิกายที่ทั้งถืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นข้าหน้ามีหารทั้งสองเนี่ยได้กลายเป็นปาปักกันโดยพฤ้นตินัคือว่าอุดมคตินั่นแหละขัดแย้งกันโดยพืตินัอยู่อันนี้เพาะเหตุนั้นพวกตะครูสาอาจารย์บรมอักฉริที่ยิ่งใหญ่ในวรรณคดีมาลีเมื่อจะเขียน ข้อความใดแล้วในคันฉาขอท่านจะต้องมีประนามกระถาบ่ว่าท่านเขียนตามมติของอาจารย์ในคณะมหาวิหารเป็นการบอกว่าท่านพูดหมหาวิหารโดยตรงเป็นการบอกว่าคำพิเศษที่ฉีนนี่เคารพสติของบรรดาพิสุในคณะมหาวิหารซึ่งไม่มีการเพิ่มเติมการถ่ายถอนข้อความใดๆเกินเลยไปจากคำพิธีที่รักษา ม, มาที่พระมาหิ น, นำมาพระมาหิ น, นำมามีเท่าไรก็รักษาคงเส้นคงวาเท่าต้นจมักมีเท่านั้นท่านต้องเกรงตั ในบรรดาตะโกนต่างๆที่ท่านพุทธโฆษาจารย์เขียนท่านจะต้องกล่าวว่าท่านทาตามวาทะครมพิสุในฝ่ายมหาวิหารทั้งนั้นครา้งนี้จำเนียร ก, การล่วงมาในลังกาเมื่อเกิดฤทธิมหายาในแผ่นดินใหญ่แล้วฤทธิมหายานก็แพร่หลายเข้ามาในลังกาในคําว่าเวตุลกะเวตุลกะในคาถาคาถาวัตถุในคาถาถึงพิสุเวตุลกะในคํน า, ทาทีอภิปวงศ์ทีปวังตาซึ่งเป็นคําที่เก่ากว่ามหาวงศ์ทีปวง์ ในที่ตัวองกับมหาโคธิวงก็ได้กล่าวถึงพิสูจฝ่ายเวทุลยานเวทุนักการหรือเวทุลยานคํานี้น่ะมาจากคําสันสกฤตว่าวัยปุลยะวัยปวตุลยะวัยทวตุลยักษเนียเป็นคําเรียกคําเรียกทศูนย์ชุดหนึ่งในฝ่ายมหายาณทศูนย์ชุดเนี้น่เรียกว่าชุดเวปุลสูตรชุดเวทุลสูตรชุดนี้แหละที่บรรดาพิสูจฝ่ายมหายาณได้นาเข้ามาเผยแผ่ในพระไติรีวิหาร นำมาเผยแผ่ในอภัยคีรีมีหารต่อมาเมื่อเกิดนักชีตานตริกในพุทธศาสนาเรียกว่ามนฑรยานมนฑรยา น, น, นคือพระสูตรสูตรหนึ่งเป็นสําคัญชื่อว่าวัชระเสกข ร, ราสูตรวัชระเสเสขรสูตรเป็นสูตรชั้นหัวใจของเขาคณะมนฑรยานก็ได้แพร่หลายในลังกาอยู่ในอภัยคีรีมันกันพิสุลังกาเรียกคณะมนฑรยานว่าพวกวชิริยะนิกายหรือไม่ก็เรียกว่าพวกวัชระมานพนิกาย วัชริยาในกายหรือวัชระพรพจน์ในกายก็เรียกตกลงว่ารังกาหนังไม่ใช่เป็นแดนที่เป็นของเทรวะทีบริสุทธ์แล้วแต่ว่ามีวัตถิกายต่างๆเข้ามาแค่หลายรวมทั้งหมายานรวมรวมทั้งพุทธศาสนาแบบสันติคือแบบที่เรียวกว่ามลตรายานแค่หลายเข้ามาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อภัยเครีวิหารด้วยคราวนี้เทรวาวะบนแอนดิงชมุทวิถีจะเป็นอย่างไรบ้างเฉพาะในแควนนาคตตั้งแต่เหนือถือเขาบินไทยเป็นไ ป, ไปถึงอินเดียภาคเหนือ เทรว่าสไม่มีฐานะดํารงอยู่ได้ได้ได้เลยผู้นิ迦อื่นๆบทบางลัทธีโมดทีเดียวเลื่อนตัวเองมาอยู่ลางกาแล้วยังเหลือเหลืออยู่บ้างก็แถวอินเดียภาคใต้คือในโจระมณฑลในแคว้นอันธา ร, ราชในโจระมณฑลในปางทยะยนมณฑนซึ่งเป็นมณฑลภาคใต้ตอนหลังปลายกับอินเดียมีอยู่บ้างศูนย์กลางของเทนวาสในตั้งแต่ศตวรรษที่สิถึง15ก็ได้แก่เมืองกาญจิปุรัะกาญจิปุระ การกีฬารัมคือมงการกีฬารัมยังมีบรรดาอัจฉริยะจารย์ของเถรวาที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาทิเช่นท่านพุทธทัตตาจารท่านธรรมปาลาจารท่านธรรมปาลาจารท่านพุทธทัตตาจารรวมทั้งท่าอรุทธาจารที่แต่งขิธรรมระตังหานี่ไม่ใช่พระนลังกานะเป็นพระอินเดียนะไป็นชาวอินเดียภาคใายแล้วยังก็วัดพัทลัิตถาวิหารนี่ที่ท่านอนุตาจารย์แต่งขิธรรมระตังหาไม่ใช่วัดตั้งในลังกามูรสมาราอยู่ในอินเดียภาคใายการกีฬุราม อยู่มือกาจิกรัตถุทธัตตาจางแต่งอภิธรรมมวทานอ่าแล้วก็แต่งอสกถาในกุสกานีกายบางตอนท่านก็แต่งในอินเดียภาคใต้แต่อินเดียภาคใต้เหมือนกันท่นานทางาลาจานี่แต่งฝระจากสังเขปเนี่ยท่านก็เปชาวอินเดียภาคใต้เท่านั้นแหละไม่ใช่เปชาวลังกาขี่ในอินเดียภาคใต้นี่ยอย่างนี้นี่เป็นเหตุการณ์แปลว่าเทรวาสน่ะไม่สามารถตั้งมาในอินเดียแล้วกลับมาอยู่ลังกา หลังกาจิงเป็นต้มปลาการการขยายตัวของเถรวัทออกไปในา น, านานาประเทศตอนนี้เราพักไว้ตอนหนึ่งก่อนมามองสถานการณ์เถรวาทในสุวรรณภูมิว่าหลังจากกระโสดาติรักษ์เน้นําเถรวาทมาแพร่หลายกับชาวสุวรรณภูมิแล้วได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนั้นวามก็ปรากฏว่าชนชาติโบราณต่างๆที่ตั้งอยู่ในรูปม่น้าําจริยากอดีรูปมน้ําเอราวัณในพมา่ากอดีมีชนชาติโบราณตั้งแว่นแคลงขึง้นเรียกเฉพาะในรูปม่น้ําเอราวัณตอนใต้ มีแคว้นหนึ่งเกิดขึ้นเรียก ว, ว่าแคว้นสุธรรมวดีแคว้สุธรรมวดี ي, นครหลวงคือสุธรรมวดี ي, นครอ่ะอันเป็นแคว้นโบราณตอเนเหนือขึ้นไปมีอีกแคว้นหนึ่งเรีวยกว่าแคว้นสีกเกษตรสีกรเกษตรสีกรเกษตรเนี่ยเวลานี้ก็ได้แต่เมืองอา่าเมืองแปร่เก่าไม่ใช่เมืองแพรปัจจุบันหรอกเป็ น, ม น, ปมน เ, เ, นเนมืองแปร่เก่าเมืองสีเกษตรพัดจากสีเกษตรขึ้นไปก็เป็นเมืองพวกเหนือขึ้นไปอีกเป็นเมืองของเสียหลดพวกประยูพวกประยูงซึ่งเป็นต้นตระกูลพวกพม่าตั้งอยู่ ชนชาตินรนโลกนั้นจ้าพยาตอนหน้าทวาราวดีกไ็ได้แก่เรียกกันว่าชนชาติปูนันหรือพนมชนชาติเหล่านี้แหละครับสิ่ได้รับนักถือพุทธศาสนาแบบเทรวาตสึงถ้าโหนนาทอุตรนํามาเผยแผ่ไว้นักถือเอาไวา้แต่ว่าวางเป็นไปของพุทธศาสนาในในชนชาติประยูง ก, ก็ดีชนชาติปูนันก็ดีเราไม่ได้ทราบเข้ารายละเอียดมากไม่เหมือนกับทา ง, างกาซึ่งเขาได้มีการถ่ายทอดมีการขีดเขียน มีการจารึกข้อความเกี่ยวกับยานนาการทางศาสนาว่าอย่างพิสดารทางชวณภูมิเราเนี่ยไม่มีการฉีดฉีนอะไรพิสดารมากมายเหมือนทางาันตาเขาเลยแต่ว่าเราก็อาศัยจุดหมายเหตุของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายเหตุของจีนซึ่งร่วมยุคในสมัยเดียวกันอาจีนได้ลงพูดออกมาสำรวจสินทางค้าขายในทางเอซียอาร์ทยเลตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมาเราพิสูจน์ข้อความเหล่านี้ว่ามีพระเถระ แผ่นดินราชวงเหลียงบกครอประเทศจีนยอยู่คัมภีร์สามโหนนได้แปลจบแล้วแต่กาแปลนะ่ยไม่ได้แปลอย่างคําต่อคําหรือว่าใจวัดหรอกเป็นการแปลเอาสาระเอาใจความแปลอย่างยอดความคัมภีร์สามโหนนแปลยอความมาจบแล้วจบบริบูณแล้วแล้วก็คัมภีร์อีกเล่อหนึ่งสำคัญมากคือคัมภีร์วิมุตติมะต้นฉบับภาษาบาลีหาไม่ได้แล้ววิมุตติมะสูญไปแล้วแต่รักษาไปในฉบับสํานวนแปลเป็นภาษาจีนเมื่อพันกว่าปีแปลตังเมื่อพันกว่าปีวิมุตติมะ คำพินีจแก้ศินสมาธิปัญญามีลีลาโอหานค่ายขึ้นกับวิสุทธิมาแต่งโดยอุปติสักอรหันอุพะอุปติสานะ่ะเป็นคนก่อนสมัยพุทธครษาพระนัการในพุธพธทพธครษาจารยนะ์น่ะแต่งวิสุทธิมักนะ่ะนักปราชญ์จึงพนันธฐานกันว่ า, าการได้อาศัยเข้าของวิมุตติมักเนี่ยเป็นรางฐานกับมันเพราะว่าการดํรราเนินลีลาโอหานการแก้เมือนกันหมดมาแต่ต่างกรงที่สมาธินิเทศเนี่ยสมาธินิเทศในคำพิีิจวิมุตติมักทิศสดานกว่าวิวิสุทธิมา แต่ว่าปัญญาณิเทศในวิปุตติมัสังเขกกว่าในวิสุติมะเนี่ข้อแตกต่างมนอย่างนี้คราวนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมานิกายเคลาวาตแบบที่เขารบภาษามารีก็ได้แพร่หลายจากลางกาและอินเดียภาคใต้เข้าสู่ส่วนรณภูมิตอนนี้แหละเป็นตอนที่ ย, ยุคที่ท่านพุทธคสาอาจารย์เข้าไปทำอัศถรรใหม่ที่หวนนวอัรรยในลังกาแล้ว ความเจริญของพุทธศาสนาในด้านปริยัติศึกษาซึ่งมีคณะมหาวิหารเป็นแกนกลางเนี่ยมีการขยับขยายแผ่หลายมาในสวนภูมิทั้งในธรรมะภาคใตา้ตับในประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้แผ่หลายเข้ามาที่เรารู้นะเพราะว่าการแต่งคำถ้อยคำคาถาในภาษาบาลีอย่างไยรอบอยู่ในศิลารูธรรมจากหินซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าพานุพันธ์อยู่คนนะ กล่าวถึงรักษาลักษณะปัจจ ย, ยานกิจยานกัตยานในอริยสัจสี่ด้วยชันภาษาบาลีอย่างไพเราะในวงล้อ ธ, ธรรมจักรสีลาซึ่งเป็นสมบัติส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าพานุเดียวนี้อันหนึ่งแล้วต่อศีลาจาดิภาษาบาลีที่ขุดพบในดงแม่นางเมืองนครสวรรค์อีกอันหนึ่งซึ่งแต่งไว้ด้วยชันภาษาบาลีอย่างไพเราะแสดงเห็นอิทิพลของวรรณคดีบาลีซึ่งเกิดจากพุทธศาสนาเตรวาสแบบมหาวิหาร หลังจากการชำระเอกสาของท่านพุทธโคษาแล้วได้เดินทางผ่านแนวทั้งลูกแม่น้ำเจ้าพยาที่เมืองแปลกล่าได้ขุดพบแผ่นจารึกทองคําจารึกข้อความเกี่ยวกับคัมภีร์ในคาถาวัตถุอยู่ในนั้นด้วยเป็นภาษาบาลีเหมือนกันมีอักษรลูกลาวขาวเดียวกับาจารึกในโดงแม่นางเมืองที่จังหวัดสกรสวรรค์ของเราอันนี้ก็เป็นอันว่าเรามั่นใจได้ว่ า, าพุทธศาสนาแบบจากรพงกาเนี่ยได้แพร่หลายเข้ามา แต่ว่าพุทธศาสนาที่แพร่หลายจากลังกาเข้ามาเนี่ยในครั้งนั้นน่ะถ้าจะว่ากันนับตั้งแต่เริ่มต้นก็ควรจะกล่าวว่าเริ่มต้นแต่ในสมัยพระเจ้าปรัชมภูชาหรือพระเจ้าปรัชมภารุมาราชซึ่งมีพระชนอยู่ในศตวรรษที่สิบเจหลังพุทธปรินิพานเรียกจะในภาษาลังตาว่าภูรนรวานครเดี๋ยวนี้ตั้งอยู่พระองค์พระเจ้าปรัชมภูชาเนี้ได้เป็นผู้ปฏิษสถานลัทธิลังตาวงขึ้น อันนี้แหละเข้ามาเข้าไปเด็นนะเป็นผู้ปฏิสถานสิทธิลังกาวงขึ้นก็ถามว่า ท, ทำไมก่อนหน้านี้ไม่เร็วลังกาวงล่ะไม่เลยเพราว่าก่อนหน้านี้ยังเรกว่าคนามหาวิหารคณะเขตตวันวิหารคณะอภัยคีรีวิหารนิกายนิ ก, า ย, นกายต่างๆใ น, นลังกามีมากนะมีทั้งปาศระทานิกายวาชิระพรนพุทธนิกายอ่าแล้วก็เวทุลติ ก, ลาลกายหรือเวทุลตยานอย่างนี้ยังมีนานานิกายนานาทางทักยังไม่ได้เป็นอันเดียวกันต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าประชาาภูชาน หรือ พ, ร, ร, พระเจ้าพระมกุฏพาวุฒิมหาราษฎร์พระองค์ได้เป็นผู้รวมนิกายต่างๆในลังกาเหลือเพียงคณะมหาวิหารพวกเดียวส่วนนิกายอื่นซึ่งหากว่ามีคติทัศน์น่ไม่ลงรอยกับหมหาวิหารแล้วก็ทรงตัดสิทออกไปไม่ประทานราชูประถมไม่ประทานราชุประถมให้เมื่อมันนานาไปก็หมดไปโดยปริยายหรือไม่ก็มายอมรวมตัวเองกับคณะมหาวิหารท่านเคารพมติของพระมาหากัตถุมีแต่ไม่ใช่กัตถุองค์พระธรรมทั้งทายนานะพระมาหากัตถุองค์นี้ ในเจ้าคนะในคณะอุทุมพรคีรีสนักอุทุมพครมพคีรีเนี่ยเป็นวัดป่าเป็นวัดศาสนาวัดป่าและพระมหาสุคมณนี้ะเป็นอาจารย์ทางวิทยานาสุร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลังกายุคยพระเจ้าประมขะมหาราตั้งคณะที่อุทุมพรคีรีอุทุมพร น, นี่จะชื่อคนเป็นชื่อสนักชื่อคณะตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงปรูรนรุวะหรือกุรธินนครในลังกาเดี๋ยวนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะ ทันเป็นประธานในการชำระศาสนาหรือคณะสงฆ์ในลังตาให้เหลือเพียงเพียงเป็นเพียคณะมหาวิหารคณะเดียวแล้วก็หลังจากการชำระนั้นน่ะประเทศในคำภีสังขีตีวงของเราถือว่าเป็นสังขนาความจริงไม่ใช่สังนาหรอกเป็นการประชุมบรรดาท่านท้าวคุนาจาร์แต่งดีกาแต่งดีกาเพราะว่าต้องตารที่จะให้ความรู้ของที่สุสงในครั้งนั้นอ่ะรวมเข้ารู้เข้ารับกันเดียวกันจะได้ไม่ไปฟังนานานีกายนานาวาทะ ว่าอย่างวุ่นวาอย่งายงนี้เป็นเหตุให้มีความคิดแฉลบแฉไลยออกไปให้แหลงแยกออกไปจึงรวมกันเตีย้ยโดยให้มีการแต่งดีกาขยายความกับสถาปีนึงให้มันแน่นนอนไปว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้จะได้ไม่มาตีความพุทธพจทธผิดผิดหรือขยายความพุทธพจทธตีทศวรญษผิดผิดอย่างก่อนก่อนอีกต่อไปการแต่งดีกาเนี้นเป็นกันเป็นคณะเป็นกลุ่มมีตั้งเป็นกลุ่มด้วยผู้เป็นประธานในการแต่งดีกาคือท่านสารีบุตร ท่านสารีบุตรเป็นาสารีบุตรอรหันต์ตการนะเป็นชื่อพระอริยตาจิ่อสารีบุตรท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านตัดสปปมหาตสปะแห่งอุทุมพรคีรีวิหารท่านสารีบุตรเนี่ยท่านเพ็ิดลูกสิทธิ์ทั้งคำนึงคำเยแย่ทีเดียวลุกสิทธท่านยกตัวอย่างเช่นท่านสุมาลคราจาร์ที่แต่งอภิธรรมตวิภาวณีดีกาเนี่ยเป็นลูกสิทธิ์ั้งสารีบุตรแต่งดีกาท่านสารีบุตรแต่งสาระคำทีสาระสารปฏิบีติะะแต่งคำพีสาระ แล้วก็ลกูกศิษย์ทุกท่านอีกหลายท่านได้แใจคัมภีร์ต่างๆมากมาในทีเดียวเวลานั้นความจะนี่แหละที่ว่าลังกาวงจิติศักดิ์ในเวลานั้นได้แค่หลายไปถึงประเทศพามา่าประเทศพามา่าภายใต้การปกครองของกษัตริย์กามในตัวณภูมิกษัตริย์กูกามองได้าราชูประถมการศึกษาให้ท่ามาก็ปรากฏว่ามีพระรามันรูปหนึ่งชื่อว่าฉัพปทาท่าฉัพปทาเดินทางมาบวชในลังกาแล้วก็ศึกษาอยู่ในสำนักของท่านสาลีบุตร ศึษาเรียนรู้ในภาษามาคตจนแตกฉานเดียบร้อยแล้วดเดินทางกลับพมา่าตอนที่ท่านเจ้าพญาจะเดินทางกลับนั้นท่านได้พาข้าพื่้าท่านมาด้วยคือท่านตั้งข้อรังเกียจว่าพิสุกสงฆ์ท่ายในประเทศพม่าอ่ะจกวิปริตไปแล้วตั้งข้อรังเกียจในหนึ่งวินัยกรรมท่านมาบวชแปลงในกายสมัยในประเทศลังกาบวชใหม่เป็นท่านลังกาไปแล้วรับลังกาวงแบบที่ชำระโดยพระเจ้าพระลมาาัตพระอุปมาธาปิโกยแล้ว ก็พาพื้นกลับไปประเทศลังกามี พ, พ, ร, 1, พาามระอนันทพาาระเทระหนึ่งพระตามราเทริปฏิเทระหนึ่งเรียกวพระตามราเทระหนึ่งแล้วก็พระราหุลเทระหนึ่งเป็นต้นเดินทางไปกับประเทศพมา่า <ME> เ <Ö recursos! S 1> มื่อไปถึงท่านก็ตั้งคณะทั้งท่านขึ้นเรียกว่าคณะลังกาวงลังก า, งกางเมกประเทศพม่าเกิดขึ้นโดยการมาของพระเฉปทาซึ่งเป็นพระมรเดินทางมุ่งบุ่นในลังกาแล้วก็กลับไปประเทศพม่าแล้ว ก็าพาเอาเพื่อนฝูงไปตั้งคาะใหม่ด้วยคณะลังกาวงในประเทศพม่าขึ้นเป็นเป็นปฐมแต่นั่นมาคณะลังกาวงในประเทศพม่า ก, ก็แอ้หลายกระทั่งลงมาสู่ประเทศรามันเรื่อยมาในราวราศตวรรษาที่21ประเทศรามันน่ะมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งเกิดขึ้นกษัตริย์องค์นี้คือพระเจ้าธรรมเจดีปิฎกทรพระเจ้าธมเจดีปิฎกทร ม, มีประวัติค่อนข้นขันจะพิศดารคือเดิมบวชเป็นพระนักเทศลูกสวยเสียงพร้อม มีบุคลิกดีเป็นที่ถูกอกถูกใจแกผู้ฟังที่เป็นอันมากมีคนพ า, ายกพายิกาลักถือขึ้นเยอะบวอยู่ที่วัดศรีการในมือของสมเด็จต่อมาลอกการกฏว่ า, าราชวงราชุงพระเจ้าฟ า, ารู่อะดีกว่าราชวงศมัตถูนี่แหละว่าอะรูปพระ้ามรเหนือว่าในรรูปราชวงศว่าใะไรูปพระเจ้าฟารลูเนี่ยเป็นผสมวงศ์เกิดมีเจ้านายไม่ไ ม, ม, มีตัวเจ้านายจะมาปกครองเจา้านายผู้ชายหมดทุกบดตัวลงจะต้องเอาเจ้านายผู้หญิงมาปกครอง เจ้าห้าผู้หญิงที่จะมีที่จะมาปกครองนะ่ะชื่อว่าแม่เจ้าอยู่หัวเชิงสอบูชื่อราวกาอ่า น, น, นางนางละครตัวหนึ่งในผู้ช น, นะสิทิ์น่ะเชิงสอบูมีตัวจริงจริงไม่ใช่ผัสเป็นเป็นสนมของจเจเด็ในผู้ชนะผูชนะสิทิ์อย่างเดียวหรอกชื่อจริงๆริงในฟงโซดาพมาจะมาพอแก้วกล่าวถึงแม่เจ้าอยู่หัวเชิงสอบูไม่เจ้า่หัเชิงสอบู ถ้าตายจะแล้วตกลงเจ้าฟ้าไปถึงไม่เห็นหน้าสามีในอนาคตก็เลยไปตกเป็นผุ่มเป็นผุ่มมากอยู่ในพระราชวางังกรุงอังว่าอยู่ช้านานวันหนึ่ง ท, ท่านท้าวปีหลอกทองเนี่ยยังได้กล่าวแล้วบอกเป็นพระมีชื่อเสียงแม่เจ้าอยู่ว่าเชียงสาบูนะ่ะเป็นอยู่อปะถาคันที่หงส์สมบัติเป็นอยปะถาคันอยู่ท่านก็ระลึกถึงบุญคุณเจ้าแม่เชียงสาบูว่าโอ้เจ้าแม่เชียงสาบูของเรานี่ยนะถูกปรําลังบาอยู่ในพระราชวางังกรุงอังว่ามาช้านานแล้ว ท, ท่านคิดถึงก็จะขึ้นไปหาทางช่วยเหลือก็เดินทางขึ้นไปไปต้องไปไปกังว่าไปที่นี่ยทำไปทำในไ ม, มล์นี่ช่วยจะแม่เชีงสอบูออกได้ในทางาที่จะเป็นภาคมีชื่อเสียงเป็นภาคทกเพศที่มีชื่อเสียงท่านก็หาทางเขา้าราชวังจนได้แล้วก็ลักลอบพาเจ้าแม่เช็ยงสอบูหนีกลับเมืองมอญพอกลับเมืองมอญแล้วเอ๊ที่สุดลักคนหนีนี่กอ็อาบัติเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าลักของลักคนก็อาบัติไม่ดีหรอกลักคนก็เป็นอาบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใน้กลางและต้องศึกแล้ว รังเกียจตัวเองขึ้นมาแล้วต้องสึกทัมบุบายาข้าวหนีมาเนี่ต้องสึกท่านก็สึกเมื่อสึกแล้วก็ไม่ผิดหวังจะไม่เชิงต้อบูเลยยกพระจัิดาให้เป็นเมียตั้งให้ในฐานะเจ้าแม่เชิงตอบูสิ้นพระชนงถ้านธรรมาภิเดชนี่แหละก็ไม่ขึ้นสวยล่ะเป็นพระเจ้าทํรมาเจดีปิดกทอนพระองค์เป็นผู้ฝักใฝ่ในคันถามากมายได้อ่านคัมภีร์สีมาลังกาละได้อ่านคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจว่าให้ขุด ขุดสีมาดูตามวัดต่างๆในเมืองมอญว่าไอ้ลูกนิมิตที่ฝังสีมาเนี่ยจะถูกป้องตามวินยัยกรรมหรือเปล่าขุดขึ้นแล้วก็เห็นผิดผิดฐานผิดฐานะท่านก็รังเกียจว่าเอ๊พิสุทุกวันนี้การบวชน่ยย่อมขึ้นด้วยกรรมวาจา ส, วาสมบัติหนึ่งขึ้นด้วยปริสาสมบัติหนึ่งขึ้นด้วยสีมาสมบัติหนึ่งบัดนี้สีมามาวีบัติเป็นยังจะเป็นการอุปสมบทที่ถูกป้องแล้วหรือหนอแลความกังขาแห่ง น, นี้เกิดขึ้นในภาคอินไทยของพระเจ้าอมเจดีเนืองเนืองหาความรักของพวกทงนี้ องตั้งความปรารถนาที่จะให้สมภะองค์น่ะได้ตั้งมันให้ถูกต้องตามปริสาสมบัติกรรมวาจาสมบัติและก่อศีมาสมบัติให้สมบูรณ์พระองค์จึงได้ขอรอ้องให้บรรดาพิสุทั้งหลายใ น, ด น, น, น, นแด น, นารามันเวลานั้นน่ะพิสุแตกเป็นหกนิกายประเทศรามันก็ที่ขมารพิสุมี6กนิกายเดีวยวกัน6นิกายนี่ก็เป็นลางกาวงั้นแหละแต่มันเกิดไอ้ข้อไม่เป็นเรื่องเล็กๆไปน้อยเนีเ่ยไอ้หนึ่งยุ้มยุ่งยิ้ยิ้เนี่ยไม่ไม่น้อยเนี่ยมันเกิดอะไรน่เนาะเป็นเป็นสาเหตุแตกเป็นหกัคณะเดีย ให้อาจารย์ทั้งหกคณเนี่ยกลับไปรังตาใหม่เถอะพอไปเล่าเรียนรังตาใหม่ได้ยินว่าคณะมาหาวิหารที่ศึกมาตั้งแต่ข้าพระมหินนยังมีอยู่ในรังตานะให้ไปเล่าเรียนบวชเรียนมาใหม่ได้ไหมเพื่อเห็นแก่ความเจริญของศ า, าสนาพวกเจาก้าคณะทั้งหกนิกายนี้ก็รับปากกับพระองค์ลงเรือสองลำมรังกามีไมยเรือชื่อว่ารามาทูตรลำหนึ่งนายเรือชื่อว่าจิตกระทูตรลำหนึ่งสองลำนียกันเดินทางออกจากปากอ่ามกษมัน ามาหาตัวอินเดียมาเกาะลังกาเมื่อมาถึงเกาะลังกาแล้วตรงตับรัชสมัยพระเจ้าพวนเล่าหูเป็น ก, กษัตริยอยู่พระเจ้าพวนเล่พาหูก็ทรงดีถศไทยโปรดให้บรรดาข้ามรเหล่านี้ไปอยู่ในสำนักของข้าวรรรษมหาสามีพระวรรษมหาสามีเล่าเรียนศึกษาในสำนักขราวรัษมหาสามีแล้วก็ทั้งหคณะเนี่ยบดไม้เยก็ออกจากเทศข้าหมดหคณะนี่เป็นชั้นเจ้าคณะทเข้ามาก่อนนะแต่ยอมยอมสึกหมด แล้วทำการบวชม่บวชไม่ใช่บวชป่าบวชบวชแพรในไม่น้ากรลยานีผูกเป็นแพ้ครับแล้วเอาสางพิธีอุปสมบทในใ น, ในไนม่นม้ำถือเอาหน้าทีสีมาจะให้มันนม่นคงเ่ะเพราะว่าจะไปบวชเป็นคาเามาสีมาหรือพัฒนีมาเกิดลังกีดในเหลืองลูกมีม็ตบ้างในเหลืขามเค็ดขึง ห, หมายจักรู จ, จะเป ม, มีบาดแผลละปัญหาหนึ่งหูุอยางเนี่ยบวชในแ้่นี่แหละหน้าีสีมาดีลอยแพรบวชกลางม่น้ากาลยานีไม่น้ากาลยานีเป็นแ ม, ม่นม้ำคัญสายหนึ่งในังกา ตาสวัิเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสง้ำในแม่น้ำกระยานีเราจะนั่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของลังกาเขาบวชในแม่น้ำนั้นเมื่อบวชเสร็จแล้วต้อเล่าเรียนศึกษาพอทุ่งขวรยังไม่ทันเข้าพรรษาเลยเดินทางกลับประเทศรามันตอนเดินทางกลับเนี่ยพอมาถึงเกิดจะเอาอุชาบวชไม่ได้เพราะว่าอุปชาจได้องพรรษาเกินสิิแล้วนี่อะไรอ่ะผู้ที่บวชใหม่นี่พรรษาไม่ครบหนึ่งมาแล้วจะบวชยังไงอ่ะจะหใครจะมาไปอุปชาล่ะเพรานั่นบวชกันได้ยังไงล่ะตอนนีย ก็เกิดหาพระที่จะสมควรก่เป็นอุปชาหาไปหามาสุดแต่ว่ามีอยู่องค์หนึ่งมีพระเถระอายุ70สกว่าแล้วชื่อว่าพระ ว, น ว, นวนันโสพลได้กลาวว่าพระ ว, นวนันโศพลเนี่ยก่อนหน้านี้เล็กน้อยท่านเดินทางไปบสถที่กัญญาณีสีมาโดยเดินทางด้วยเอกชนทุนเอกชนไปไ ม, ไม่ใช่ทุนรัฐบาลส่งแต่้หกคณะนี่เป็นทุนรัฐบาลส่งเป็นทางการท่นาวนวันโสพลเดินทางด้วยเอกชนไปโดยการส่วนตัวบสถในสี่มาเดียวในกัญญาณีนี่แหละคณะมาเอาขีหารนี่แหละ เพราฉะนั้นอาะเจ้าธรรมจดีก็ดีพระไทยบอเออดีแล้วได้ท่านสวนสัสโธพลมาท่านสวนัสโธพลจริงเป็นอุปชาลังกาวงชุดใหม่ตกลงว่ลาลังกาวงน่ะมีสองสมัยในธร่านะลังกาวงชุดแรกมาในสมัยชักรทาท่านชักระชาไปนคนนํามานี่เป็นลังกาวงชุดแรกในสมัยผู้กามศตวรรษที่18อแปดลังกาวงชุดหลังมาในสมัยพระเจ้าธรรมจดีศตวรรษที่2ี มามาในมาในมาในสมัยพิจารณาเมเจดีโดยว่าพิสุท่านวนโสพลท่ารามันเนี่ยเป็นอุปชยัยยะบวชทั้งนั้นน่ะศึกพิสุในแผ่นดินรานมันตั้งหมื่นกว่าลูกแล้วก็บวชใหม่เลทั้งหมื่นกว่าลูกบวชในรังกาวงใหม่พระเจ้าธรรมเจดีได้สร้างโบสถ์กระยาณีสีมาขึ้นที่นอกคุ้งสมบอดีปัจจุบันยังเหลือรากตึกอยู่ยังอยู่ยังฟ้องแซงอยู่เป็นตึกเป็น ก, กระยาณีสีมา เ, เอาชื่อกระยาณีมาเราเรียกพิสุ ที่บทในคณะนี้ว่ากัญญาณีวงกัญญาณีวงศ์เรียกย่างนั้นเรียกกัญยาณีวงเรียกลังกาวงชุดข้างกุกามว่าฉชาปทาวงศ์พ่อถือว่าติดตามชั้นฉชาปทามานี่เป็นสองนี่หนึ่งเหตุการณ์ในลังกาวงในประเทศพมา่าคราวนี้เรามาลองดูในประเทศไทยลังกาวงเข้ามาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ข้างไหนลังกาวงเข้ามาในประเทศไทยนะ่ะได้ความว่าเข้ามาตั้งแต่ข้างขอบคุณราําแห่งมหาราชนี่เป็นข้างแรก เวลานั้นอิทธิพลของสุขโขทัยเราหนาะได้แค่หลายทางทะเลปากใต้ไปถึงแหลมมาลา ย, ยูเป็นที่สุดเมืองนครศรีธรรมราชแต่ก่อนสมัยสุขโขทยัยเป็นเมืองซึ่งมีพระมหากษัตปกครองในราชวงศ์ไซเนะรนตะวงของศรีวิชยัยเรียกกันว่าเมืองตามพารลินค่ะเมืองตามพาลินค่ะเห็นอย่างนั้นเป็นเสถียร์ครับต่อมาจักรวรรดิศรีวิชัยล่มจมลงเพราะเหตุที่ว่าได้เกิด พวกชาวอาภากรังคือพวกกษัตริย์วงมัชย์ปาริกในชาวาขยายอํานาจลุกล้กอนดิทรอศอำนาจจากสีวิชัยในสุมาตราลงทางเหนือเล่าพอพลังําแหงก็ได้แพ้ที่พลทงไทยลุกใกล้ลงไปบีบจะกะวาดสีวิชชัยลงไปสีวิชัยจึงได้ล่มล่มแต่ว่าเมืองนครสิทธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองแรกในประเทศไทยที่รับรางกาวงมาสาเหตุที่รับรางกาวงมาน่ะไล่เรี่ยกับสมัยขันจักรพรรดิคือว่าพวก ท่ารังการที่ท่านชพรทาพามาไปอุปชาในประเทศภู ก, กามนั้นมีอยู่องค์หนึ่งที่พระลหุนพระลหุนมาด้วยพระลหุนมาอยู่เมืองภู ก, กามไม่ช้าไม่นานก็เกิดวางกระสันอยากจะตึกอยากจะตึกเพื่อนเพื่อนฝูงลุงท่านท่านจชพระทาท่านอานนท่านตาต า, าเมรินท่ก็ห้ามไว้บอกคุณสั่งสอนความรู้ในทางบรรคดีบาลีแก่ภิกษุชาวพื้นเมืองเนืองเนือง จนกระทั่งเอาศิลปกรรมแบบลังกามาสร้างเป็นสถูปแบบลังกาข้อพระเจดีแบบมหายานที่พระธาตุมหาธาตุเมืองนครพระมหาธาตุเมืองนครอ่ะองค์องค์ทําไในะเป็นพระเจดีแบบปรางมหายานนะแบบปรางอย่างแบบที่เจดีที่พระธาตุชัยยาราธานีแบบนั้นแหละพระธาตุชัยยราธานีก็เป็นแบบเดียวกับอมนดปจันดิปวุลในชวาแบบเดียวกันเป็นแบบศิลปะแบบมุนตรยานสมัมราช่วงป์ตาละเป็นใหญ่ในอินเดียแบบนั้น พวกลังกาวงมาถึงเป็นรื้อถอนของเก่าก็สร้างเป็นแบบพระเจดีย์แบบทรงลังกาครอบองค์เก่าเมื่อรัชกาลที่หา้ามีการปฏิสังขรณ์มหาธ า, านเมืองนครขุดพบรากเจดีย์องค์เดิมใต้ดินเป็นเจดีย์โครงสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุชายาสุราชา น, นีไม่มีผิดเลยแบบเียกับพระบรมธาตุชายาไม่มีผิดเป็นแบบบนดบแบบมาหาญาณลังกาวงปฏิสัทธในธรรมราชนะครที่ธรรมราชไม่ช้ากองทัพสุโขทัยก็เข้าไปยึดเมืองเมื่อเข้าไปยึดเมืองนั้นกษัตร นาครชีธรรมราชยอมแพ้อยู่ในฐานะเป็นประเทศราชของสุขโขทยัยพอคุณากำแหงเสด็จนำกองทัพไปโดยพระงเองได้เห็นวัตปตปฏิปทาของบรรดาพิสุรังกาวงว่าเออประพฤติแปกจากพิสุสุโขทัยพิสุสในเมืองสุขโขทัยนะ่ะเป็นพิสุเทระวัตที่ปฏิบัติตัต้งแต่สมัยยุคทวาราวดีฟูฟูนันทวาราวดีรถปุ๋ยเป็นลาดับมาปฏิบตัติแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเห็นลังกาวงชนิดที่ว่าฟื้น ฟ, นฟนูใหม่ สมัยพระจ้กปรกัชกมาเผามหาราชแล้วพระเจา้ากุหลามกำแหงก็พอพระไทยมีความเลื่อมใสพระสงฆ์กาวงในเมืองนครจึงนิมนต์คณะสงฆ์เมืองนครเนี่ยให้ขึ้นมาไปอุปชัยยะบวชกุลบุตรในเมืองสุโขทยัยเพราะฉะนั้นนายจารึกพระกุหลามกำแหงจึงกล่าวว่าในเมืองสุโขทัยนี้มีมีปูค่ครูมีเถระมีมหาเถระมีสังฆราชปราบเรียนตกใจ ลวกกว่าท้กตนลุมาแต่เมืองนะครสิทธิธรรมราชฎรลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ขอบความรัศดาจันทร์ขอบความไว้อย่างนี้ว่าทุกทุกองค์ที่ว่านี่ยที่เป็นปู่ครูที่เป็นเทราที่เป็นมหาเทระล้วนแต่มาแต่เมืองนะครสิทธิธรรมราชทั้งนั้นมาแต่เมืองนครสิทธิธรรมราชทั้งนั้นไหว้เงินให้มาบวชพระเจ้าคุณลังคาแหงได้สร้างได้สร้างวัดประพานหินขึ้นสําหรับเป็นที่จำพรรษา <S <S ของที่สุล<ค>ั ง, งกาวงจากเมืองนะครขึ้นมา นี่เป็นปฐมมาวงลังกาวงเข้าสู่ประเทศไทยตั้งมั่นเป็นหลักฐานในสมัยสุขโขทยัยต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าธรรมราชาลีไทยลางกาวงอีกสายหนึ่งเดินทางมาถึงลังกาวงสายนี่สายนี้ก็เป็นดีกว่าลังกาวงยุคที่สองพระเจ้าธรรมราชาลีไทยองค์นี้เราทราบแล้วว่าพระองค์รืมสายพุทธศาสนาเป็นอันมากแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นข้ามาันกระสัองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สวยรากแล้วเสด็จออกเน่ข่ำมะมันคือเน่ข่ำาบารมี ท่ออาพระงค์ได้ทรงพูดออกไปในมน์พท่าลังกามาเป็นอุปชัยยะแล้วก็ได้อุทิศสร้างวัดป่ามะม่วงขึ้นนอกกรุงสุโขทัยให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหารามีสังฆราชชาวลังกาที่บอกวัดอยู่วัดป่ามะม่วงอัมพาวนารามในจารึกลาพันธุ์บอกว่าแม้อัมพะวนารามเนี่ยเพื่อนปฐพีน่ะแม้เป็นส่วนในปฐพีเป็นเป็นเป็นหินเป็นเงินเป็นทองมีแสงอูปัติดังหนึ่งมุกดาทีเดียวอธิบายงี้ไม่ใช่ว่า ยกไม่พูดหรอกคือไม่ใช่อื้งไกลทายนั่นเองเอทรายนี่คุณถูกแสงแดดสองวูปบ้าบูบบ้ามันก็ไม่เชื่อทำไมดูสิเต๋อายเอาทรายเกลียววัดจนเต้มไม่หมดทีเดียวแล้วไอ้ทายนี่ก็มีชิ้นบางประเทศแทรกอยู่ด้วยใสงแดดสองรูบบ้านี้สมมตินะในคดีต้องพาาอย่างนั้นว่ามเกิดแสงวูบบาแล้วก็แสงมุกดาแล้วก็ในจารกวัดป่ามะม่วงอ่ะมีถึง3ภาษาภาษาเขมรด้านหนึ่งภาษาไทยด้านหนึ่งภาษาบาลีด้านหนึ่งภาษาบาลีน่ะทั้งละนังกาแต่งเองแต ธรรมราชาลีไทยว่าพระเจ้าธรรมราชาลิไทยนะพระองค์ทรงพระคุณกระสิทธิทรงไม่สนผิดผอมแล้วถือออกบวชในต่อหน้าเฉพาะพระพักตรสวนปฏิมาบนพระมหาบนเทียนได้อยู่ในเพศผู้ดาบทแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าพระส่วนนักปฏิมาทรงเพศเป็นดาบทเมื่อทรงเพศเป็นดาบทเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกไปสูตรยัติวัดป่ามะม่วงเมื่อพระบาทพระองค์เหยียบถูกต้องพื้นปัตตภี ปัตตีก็ให้หวันไหวใหญ่ทีเดียวแผ่นดินไหวในพระบารมีพ่อเหตุที่ว่าพระองค์นั้นเป็นนอนเมื่อพุทธังกูรจะได้รับเป็นโพธิญาณนอนาคตเป็นแน่แท้ในจารึกว่าป่มามะม่วงว่างนั้นนะเมื่อบวดแล้วมีอาการอินทรีสังวงรคือของพระอุปมาเมื่อหนึ่งขมหาไทรละผู้มีวัายุการได้หกสิบโดยปีคือไข่มากบวดแล้วออกมาเนี่ยแผ่นดินได้หวั่นไหวขั้นตกลง ท่านดินไหวสองหกสองวันเดียวกันไหวสองข้างติดติดกันแล้วท่้อาจะตั้งปัญหาถามว่าจริงไหมท่านดินไหวนี่จริงทันนินไหวจริงๆเหรอถ้าทันนดินไหวจริงไม่ใช่เรื่องมงคนหรอกเรื่องที่ผายบ้านช่องังเลยเราเจะนาดหมดผู้คนเด็กเล็กตกตกจร้องไห้กระจองอโแงหมดทนินไหวไอ้ท่นินไหวในที่นี้ท่านหลายเป็นอีเดีย์ถนนภาษาคนโบราณภาษามาโครในอินเดียข้าั้นก็กระจากันไม่ใช่ท่านดินไหวจริงจริงหรอกคือมันนี้ว่าจริงจริเราแย่ใหญ่ที่ผายใหญ่ไม่ใช่อ่า แนลินไวในที่นี่นะหมายิงว่าเสียงคนาสารุกการเอกระรดแท้ท้องเพราะ น, นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เร า, าอ่านอ่านต้นนวนในคำพีโบราณอ่ะอย่าไปถือตามตัวอักษรเกินไปจะเกิดมิจฉาไหวมันจะเป็นไปได้ไงพราะบริสัทบริจาดอะไรนี่ต่อแ้พวกเขาสุมีนอนอ่อนมันยอดวายจีดโดนมันจะเป็นไปได้ไงเป็นต้นนวนคนข้างมันก็เข้าใจเขาไม่ได้ถือถือข้อท็จริงตามตัวอักษรที่ว่าหรออย่าเขาบอผ่นลินไวอ่ะประตภีวันไวใหญ่เนี่ย หมายถึงเสียงคนสาธุการเออกระโดดเกินก็เสียงคนจำนวนแสนมาหูร้องห้องกันทันทนาหลายฟังหนึ่งแผนดินไว้จริงๆนะเสียงคนที่ เ, เข้าในบรรยากาศความตะคืนในอากาเนี่ยมัอนแผ่นดินไว้จริงๆเสียงคนโห่กันสาทุกสาทุกเนี่ยร้องสาธุการเนี่ยวันไหวจริงๆเสียงคนเนี่ยท่านยังว่าแผ่นดินไวหวนี่แหละเป็นลางกาวงยุคสองไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยลางกาวงยุคที่สามเกิดในสมัยสุโไทัยนั่นแหละ แต่เกิดในแผ่นดินพระเจ้าสายลึงไทยหรือมหาธ ร, รมราชาที่สองยุคนี้นะ่ะเกิดขึ้นจากพระสุมาณะกับพระ อ, อนมุมัติศสีเถระพระสุมาณะกับพระ อ, อนุมาตัสรีเถระพระสุมาณะกับพระ อ, อนโนุมาตัศรีรน่ะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในเมืองสุโขทยัยท่านสุมาณะจําพรรษาอยู่ในวัดวัดหนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัยศรีสัสสชนาลัยนะอันเป็นเมืองลูกเหลืองเมืองลูกหลวงของสุโขทยัยส่วนพออนระอโนมัตัศรีน่ะจำพรรษาอยู่ในเมืองสุโขทัย เป็นพระเทล่ผู้ใหญ่แตกช้าและพระแต่บิดก็ทั้งคู่คาวหนึ่งได้ยินกิตติศัพดิ์ว่ามีพราเทล่าสำคัญองค์หนึ่งในเมืองมอสธรรมชื่อว่าอุทุมพรสุปผามหาสวามีอุทุมพรบุปผามหาสวามีท่านผู้นี้ถ้าว่าตามความเชื่อถึงของพงศ์สวัดานมนก็กล่าวว่าท่านเป็นพระมนแต่ไปบวชมาในลังกาในกาลยานีสีมาไม้บวชมาอีกแต่ว่าความเห็นของท่าพุทธทัศน์ผู้ ผู้ถอดคำพีชีน่าชินะอ่าต่อต่อถอดคพีชินารังการแล้วก็ถอดคมพีชินารามารีออกเป็นตัวโรมันท่านกล่าวว่าในคานาในคำพีชินารามารีในฉบัตัวโรมันบาลีตัโรมันในคำนำว่าท่านอุทุมพรองนี้ล่ะเป็นพระลังกาไม่ใช่พระมอรว่าไอ้นี้พวกมอรอท่านเป็นพระมอต่พวกลังกาบอกท่านเป็นลังกาแต่ยังไ่ก็ตามท่านอุทุมพรกุดผ้ามหาสวามีนี่คําว่าอุทุมพรเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ชื่อจริง เป็น่อสำนักสำนักอุทุมพรของพระมหาจตุพันธ์เองเดินทางมาจําพรรษาที่เมืองนครพันนครพันเนี่ยได้แก่เมืองมอตมาอันเป็นเมืองใหญ่ที่สองรองจากหลวงสมเด็จเมื่อมาอยู่ที่เมืองมอตมานั้นกิตติศักดิ์วางเคร่งคัดของท่านเป็นเหตุให้ดังมาถึงสุโ ข, ขทยัยพระสุมาณะกับพระอนมุมัศสีชวนกันไปเรียนในสำนักขท่านไปถึงศึกออกและบทใหม่นี่อันนี้เป็นใส่ท่านใส่ท่านครั้งนั้นนึกว่าใครอ่ะ ถ้าไปเรียนสักเสร็จไปได้ดีกีจะกฟังดาวมาแล้วเราก็ให้ลังเกยียจพกกวกภาคเก่าไปหมดถ้าจะมาเรียนนักศึกษามันครูบาอาจารย์ต้องศึกกระบทใหม่อันนี้เป็นสายขันประหลาดหรือล่ะเนี่ยเป็นสายขันรังเก่าวงโดยเฉพาะรังเกียจต้องมีพวกเก่าเป็นรังเก่าวงแต่เป็นรัน ง, วว ง, เงเก่กาวางรุ่นเก่านะรุ่นก่อนหน้านี้แต่พ อ, อนนเรียนเรียนรุ่นใหม่กลับมาเกิดลังเกยียจพวรุ่นเก่าอีกแล้วถ้าเรียนมาก็ต้องบทเรียนขั้นใหม่ศึกใหม่บทใหม่อีกอันนักพรรษาหนึ่งใหม่อีกเมื่อเรียนท่านอุทุมพรจบเรียบร้อยแล้วท่านสมานาและท่าืองไทย มาเมืองสุขโขทัยมาตั้งรังกาวงขึ้นในสุโขทัยตั้งรังกาวงขึ้นใหม่ี่สุโขทัยรังเกียรติพวกสุโข rim, ไทยสุโขทัยเก่าอีกแล้วบ่าเออไม่ได้แล้วพวกเนี่ยถ้าต้องการจะมาบุกกับชันต้องต้องศึกใหม่และบทใหม่อีกแล้วอีกอีกคณะหนึ่งขึ้นอีกอีกตาหากแล้วมีอีกคณะหงแล้าสมุนนาท่าสมุนนากระทำอนุอนวาสีอยู่มาไม่ช้าทั้งเชียงใหม่ เวลานั้นเชียงใหม่ยังม่มีรังการล้มแผเพิ่มไปเลยนะยังไม่มีนะยังเป็นรักแบบพุทธศาสนาแบบเอราวัณดั่งเดิมที่รักตั้งแต่สมัยทวาราวดีลพบรุรีลงมาเรื่อยๆยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังไม่มีที่เชียงใหม่น่ะราชนาจักรลานนาไทยซึ่งตั้งราชธ า, า น, นีที่เมืองนวบุรีศรีนครทิงเชียงใหม่ลืไนไม่น้ำปิ่มอังตั้งผู้ตั้งมือคือพระเจ้าเมงรายมหาราชเป็นผู้สร้งาลงลครสืบสันตติวงศ์มาถึงแผ่นดินพระเจ้าคกูนาในภาษาบาลีถูกศัพท์ เรียกว่ากีรนากีรณาคือกืนนาพระเจ้ากืนนานั้นได้ยินกิติศักดิ์ว่าที่เมืองนครพันธ์ท่าอุทุมพรน่ะเคร่งขรัมที่สุปฏิบัติงดงามมากก็เริ่อมใสส่งพูดไปเมืองนครพันธ์บอกว่าขอนีมลท่านอุทุมพรสุถุภามาหาสว่างมีมาเป็นอุปชาที่เมืองเชียงใหม่โปรดชาวเมืองเชียงใหม่นลอยเทิดท่านอุทุมพรก็ ต, อ, ตอบว่าท่านแก่เฒ่าชารามากแล้วการเดินทางไปเมืองเชียงหยใหม่ท่านจะมาไม่ไหวเพราะว่าร่างกายมัเป็นไปในอำนาจทีแล้วเพราะความชราเขาบีบคั้น อยากกันนั่นเลยท่านจะส่งท่านอันน่นทานหลานชายท่าน่ะมาทําหน้าที่บวชชาวเชียงใหม่แทนก็ส่งท่านนนุเทลามาพร้อมกับพิสุอีกสิบรูปเดินทางจะมาเป็นคณะปลดบวชชาวเชียงใหม่ท่นนานอนมาพอมาถึงเมืองเชียงใหม่ปั๊บท่านไม่ยอมไปอุปชาท่านถวายพระพรใเจ้ากื่งนาบอกว่าถวายพระพรอาจมาภาพกบวฏไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าพระมหาเถราจ迦รุทุมพนนั้นท่านได้มอบหน้าที่อุปชายะให้แกพิสุชาวเมืองใต้สองลูก พิสุทธชาวมังใต้สองรูปนั้นคือท่านสุมาณะกับทัดโนมทัดสีว่างนั้นให้แกพิสุทธิชาวมงใต้สองรูปว่าให้หมาะเหมาอนนาให้กแกท่านให้ท่านทํำหน้าที่บวชเพราะทีนั้นทางที่ดีแล้วมาเาบอพิษจงไปนิมนต์ท่านสุมาณะกับทัดโนมทัดสีขึ้นมาเปอุปชาเถอะอาตมาจะขอเป็นกรรมวาจาเองว่างนั้นพระเจ้าคือนาจึงได้ส่งป่าขาวสองคนมาเป็นราชทูตนําราชสารมาถวายพระเจ้าสายลือไทยทูลทูลขอพระสุมาณะ หรือพระนรมาทศีองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นไปเป็นอุปชาบทชาวเชียงใหม่ว่ า, างั้นพระเจ้าสายลือไทยจึงส่งพระกุมมะนขึนไปส่งขึ้นไปพระกุมมะน่อนจะไปนั่นก็มีเรื่องแปลกประหลาดท่านไปขุดพบพระธาตุองค์หนึ่งเข้าที่เมืองบางจาเมืองบางจาเวลานี้อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้นักโบราณคดียังถกเถียงกันอยู่ว่าเมืองบางจาได้ไดแต่เมืองใดตำบลใดในราชอาณาเขตสุโขทัยยังไ ม, มีใครรู้หรอกขุดพรพระธาตุเข้าเมื่อ น, นี่มหัศธาตุออกมาพระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แยกตัวเองเป็นสาองค์ แผ่รัมิเป็นชพรังสีพุ่งเป็นหกแสนต่อหน้าพระสมณะนี่พระสมณะเขาลืมเว่าเรามีบุญแต่พระาแค่ทรงกิตติศัตท์มาถวายกระตัดในมือสุโคไทยกระตัดมือสุโคไทยเวลานั้นน่ะทำนองจะไม่มีบุญกันมั้งบอกให้พระสมณะอาราธนาพระเท่าแสดงปฏิหารให้ดูพระธาไม่ยักจะปฏิหารพระเจ้าคุณสุโไทยก็าบอกว่าโยมม่ใครจะิ่มสายไม่รู้พระธาตุจรงาปลอมไปรู้นี่นี่มนต์นีมนต์พระคุณเจ้าเก็บไ่าเป็นส่วนตัวเถอะวางั้น ไม่ไม่รักจะมาท่านกีดีบูชาให้พระสมณานา็ไม่ว่าแต่ลายท่านเห็นท่านมาแล้วเลยมีปฏิหารเมื่อพระเจ้ากรุงสุโขทัยไม่เห็นก็เม่เลือกท่านพระเจ้ากรุงสุโขทัยองค์นี้หนาไม่ใช่พระเจ้าสายลือไทยนะแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าธรมราชาลีไทยด้วยแต่เป็นพระบิดาของพระเจ้าธรมราชาลีไทยคือพระเจ้าเลอไทยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็พระเจ้าเลอไทยพระสมณานาคอายุยืนมากอยู่ตั้งหลายแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าเลอไทยแล้วก็ลีไทยแล้วก็สายลือไทยสิ้นมาดับขันสมัยพระเจ้าสายลืงไทยดับคันที่เชียงใหม่ ครา้งนี้ก็เอาพร่านี้ไปไปดตัวไปไปเมืองเชียงใหม่พระเจ้าคือนาลู่ข่าวพาบริวารมารับพระสุมาณะใหรัที่เมืองขริภุนชายคือเมืองลำพูนแล้วต้องตั้งขบวนกิติยศรับที่ตำบลแสนข้าวหอนอกเมืองลำพูนแสนขหอ ต, ต้องตั้งกองกิติยศรับไอตำบลแสนข้าวหอในเห็นจะเกี่ยวกับว่ากูคนมันต้องรับมากกันมั้งรออข้าวมาจินกันตัน้งแสนหอกันมั้งวะเนี่ยสนิทฐานดูนะคงจะเป็นเ ป, นเปน็ลูกนั้นแหละมารับพระสุมาณนะแล้วก็แห่เห็นขืองลำพูน นี่มนให้ไปพักจารพรษาที่วัดขยุนวัดขยุนนี่ก็ยังไม่วัดขยืนอยู่มีพระสงฆ์จารพรรษาอยู่วัดขยืนในพรรษาแรกในวันในพรรษาแรกนี้แหละพระสงฆมณฑ์ได้ทำพิธีถูก ầ, พัรษตรีมาแบบลังกาวงที่เราเรียนมาจากโอทุมพร mm hmm. เรียนมาแบบนั้นที่วัดขยืนวัดขยุนนี้จึงเป็นปฐมอารามลังกาวงใน่าคเหนือท่จะว่าไปแล้วมีการบวชกุลบวชในที่ลังกาวงแบบแบบใหม่ แบบนวารังกาวงไม่ใช่โบราณนวารังกาวงเป็นนวารังกาวงแรกเวลานี้บวชขึ้นในภาษาแรกพรอสมณนธ์เทลักษณก็รู้ทันทีทีออกมาจากตัวทีเดียวบอกว่ามหาพิทามมังพาสมพระธาตุแท้ลูกพุทธเจ้าติดมาด้วยอขอให้มหาพิทจะตั้งสตญาติฐานอาราัชนาสงฆ์พระบรมธาตุพระบรมมธาตุจะสำแดงปาติหารพระเจ้าคือนาวัตเจดแจงตั้งส่วนภาพาทองคําต่อหน้าแล้วก็มีประชาชนพระสงฆ์จำนวนตั้งหลายหมื่นคนมาคอยดู แล้วก็กล่าวสโลกคาถาสดุเดพุทธคุณอาราธนาพระธาตนั้นลงสงแล้วข้างนั้นพระธาตุจแยกตัวเองออกเป็นสีองค์ท่ามการสุพรรณพาพเป็นรัศมีเป็นฉพรังสีทุ่งกในท้องอากาศในศิลาจารึกวัทยุลลภานว่ารัาสมีถึงทุ่งขึ้นไปนั้นนะ่ะอุปมาเหมือนหนึ่งแสงเฉียกรุงแสงเฉียกรุ่ ง, ง, งคือแสงแสงรุ่งสิ่งทุ่งขึ้นไปในอากาศต่อหนะ้าคนจำนวนมื่นนะแตะทั่พระเจ้าคืนนาต้องทำสิลาจารึกวัช ย, ยุลลภานเป็นหลักฐาน อันนี้เป็นความจริงโกหกกันไม่ได้เลยไม่ใช่พระธาตเก้ๆอย่างที่เราเค็เห็นกันนี่ของจริงแนร้อยเปอเนเลยพระธาตุออกมาพระธาตุศิลาจากลักมีเป็นตัวอย่างจะมาโกหกใครไม่ได้อ่าเมื่อแสดงพระธาตุมีปฏิหารอย่างนี้แล้วออกพัรษาพระเจ้ า, ากุลนาลีกลับเมืองเชียงใหม่กลับไปไพ่จะหาชายภูมิสร้างวัดเห็นว่าทางเาวงอยู่มองไปมองมาที่ไหนก็ไม่เหมาะใจเท่ากับสวนป่าไม้พยอมเชิงดอสุเทพเป็นสวนหลวงมาก่อนจึงอุทิศให้สร้างเป็นวัดคือวัดสวนดอกเดี๋ยวนี้ วัดสวนดอกเดี่ยนี่เป็นวัดสาม้าพยอมเดินเก่าในนอกเมืองนอกนครเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพนี่มนพระสมณไหรแะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนดอกแล้วก็ตั้งพิธีผูกพัสีมาแบบะละวัดลังกาวงบวชกุลบุตรชาวเชียงใหม่เป็นปฐมตั้งแต่ข้างนั้นอ่าแล้วก็พระเจ้ากือนาก็เสียงบารมีเอาพระธาที่แยกกันสามสี่โยนี่แหละแดงองค์หนึ่งมันสร้างพระสถูปปัจจุบันในวัดสวนดอก อีกองหนึ่งเสียงบรารมีบรรทุกเหนือช้าแล้วแต่พอ่อชายจะนำไปเถอะพ่อชพายก็นำนเดินดุ่มดุ่ ม, มุมดุ่มขึ้นยอดเทพไปเลยขึ้นไปถึงบนยอดดอยก็หมอบลงล่องแผลแผลสามลาขาดใจใตายพอดีที่นั้น <S <S บอกว่าพระชายาอยู่นี่แล้วพลังใ น, นสูงความแรงด้วยความปัทฉาแรงพระชายมาข้างยอดดอยก็เกิดเป็นหัติการเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงมีวิมารสูงสิห โ, โยนอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นทางนี้พระเจ้ากินนาก็เลยปราบที่ ตราที่ฝังพระบรมธาตุคือพระธาตุเรสเทพยวนี <dans es> <Yeah. S 1> ้แหละอีก2องค์เ hmm. ก hey. ็บไหว้ส่วนตัวพระสุวรองค์หนึ่งเก็บไปบูชาส่วนตัวพระเจ้ากืนนาองค์หนึ่งนะระสว่างตงเวลานี้มั่นใจร้อเอร์เซตว่าพระธาตุเบอสุเทพกับพระธาตุทิศวัดสนดอกเนี่ยเป็นพระธาตุแท้ของพระุตรเจ้าร้อเเต็มมั่นใจได้ร้อเปเซนตใครบูชาเดียวกันกัทพก็ท่ากับบูชาพระุตรเจ้าเหมือนกันแต่พระธาตุีแท้บูชาเพราปรากฏเนี่ยพินิหารสรงแสงจะกำลังสีมาแล้วทั้งในจลึกทั้งในประวั ไม่อยาพระธาดุีมาเขี้ยวพกหน้ากระเป๋าที่ให้เราดูเนี่ยพระธ า, าตาุหรือสงฆ์มีต้องส่วมากกว่ากันมั้งไอ้เป็นแบบพกหนกระเป๋าเนี่ยอะรพระธาเราจะมาได้อย่างไรใกระเป๋าคนมีมากมามอะไรอย่างนี้อะแต่นเนี่ยนี่เราเชื่อได้ละรอร์เ็นนี่รังกายุคยุคยุคแรกในเชียงใหม่นะตอนในเนี่ยคำเราโบกมาสู่อุทยาแล้วในสมัยอยุทยาในแผ่นดินพระเจ้าสามชายาต่อมาเป็นแผ่นดินพระเจ้าบรมาตรัยโลกน่ะ มีรังเกาวงชุกที่สามมามืองไทยแล้วชุดที่สามมาอีกแล้วรังเกาวงชุดนี้ก็ได้